พระศีล ส, สมาธิปัญญานั่นแหละเป็นตัวตะทางข้าประหารวิขำพนะประหารและสมุทเฉ ท, ทประหารสีจิตวิสุทธิเนี่ยนะเป็นตะทางเข้าไปเป็นวิขำพนะประหารของสมุทยัยสัจจะเนะเป็นตัววิขำพนะประหารสมุทยัยศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเนี่ยเป็นตะทางข้าประหารสมุทยั ย, ยสัจจะยาณทัศนวิสุทธิข้อสุดท้ายนั้นเป็น สมุเฉทประหารของสมุทยัยสัจจาเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าพอพูดว่าปฏิบัติสิสิระวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นต้นนี้ก็เท่ากับพูดเพื่อกําหนดรู้ทุกขละสมุทยัยเป้าหมายคือทํานิโรธให้แจ้งก็เหมือนกับว่าชรามรณะเห็นแล้วชรามรณะซึ่งมีชาติเป็นปัจจัยเนี่ยนะท่านก็มาประพฤติปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับชาติเนี่ยนะพะะนันข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมเพื่อดับชรามรณะนั้นก็คือวิสุทธิทั้งหลาย นี้ภาษาดิบุตรเนี่ยนะท่านก็ถามเพื่อว่าพระอนุปาบาปรินิพานเนี่ยท่านถามแบบประเภทแบบคละกันน่ยนะว่าคือเอาเอาข้อปฏิบัติกับพระนิพานเนี่ยมามาแยกกันว่าเข้าเข้าใจนิพานดีแค่ไหนนั น, นะศีลบริสุสธทธิ์ที่หรือชื่อว่าอนุปาถาปรินิพานศีลที่บริสุทธิ์ใช่ไหมชื่อว่าอนุปาถาปรินิพานศีลอย่างดีใช่ไหมชื่อว่านิพาน ศีลที่รักษาแบบดีเนี่ยนะแบบที่เรียกว่าอันตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบทานและอาศัยศีลใช่ไหมคือนิพพานสัมมาวาจะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะใช่ไหมเป็นนิพพานปาฏิโมกขสังวรอินทร์สังวรปัจจะสานิสิตศีลอาชีวะปาริสุธทธิศีลพวกนี้ใช่ไหมเป็นนิพพานไม่ใช่ทําใช่ก็ยุ่งเหมือนกันนะเอาสังขารธรรมมาแย ก, กวิสังขานั่นก็คนละเรื่องกันล้ ทีนี้ถามว่าจิตตาวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปริฎีพานพระปุณธ์บอกไม่ใช่แต่คนสมัยใหม่ส่วนใหญ่บอกใช่ก็มาเคยนั่งคุยๆกันในกลุ่มหนึ่งบอกนิพพานมันเป็นยังไงคนน็ออกความเห็นมาเลยบอกมันนิ่งมันสงบมันนิ่งนะเพราะฉะนั้นทําแล้วทำยังไงก็บอกว่าจะบรรลุนิพพานบอกนั่งให้มันนิ่งให้มันสงบถ้ามันสงบมันนิ่งนั่นแหละใช่เลย เหมือนถูกนะเกือบถูกว่างั้นเถอะก็สอบเกือบสอบได้ก็เกือบสอบตกเอาไหนเขามาเอาเกือบสอบต ก, ก น, นะเกือบสอบได้ไม่เอาชันใดก็บอกว่านิ่งแบบนั้นเนี่ยเกือบใช่แต่ไม่ใช่เพราะว่าปฐมไม่ฌานก็ไม่ใช่นิพานบางคนก็บอกอุย้ยเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติจนได้ปีติสุกเอกคตาจิตมันนิ่งสงบนั่นมั่นคงนี่แหละใช่เลยนิพาน บางคนบอกว่าต้องดับวิตกวิจารณ์ได้สิจึงจะเป็นนิพพานบางคนบอกไม่ต้องดับปีตินั่นแหละจึงจะเป็นนิพพานบางคนก็บอกต้องดับสุขด้วยสิจึงจะเป็นนิพพานหรือแต่อุเบขาและเอกคตาบางพวกก็บอกอุย้ยนั่นไม่ใช่หรอกต้องอากาสานันจา ย, ยตนะจึงจะเป็นนิพพานบางพวกบอกว่าต้องวิญญานันจายตนะสิจึงจะเป็นนิพพานบางพวกบอกอากินจัญญายตนะสิเป็นนิพพาน อาจารย์ของพระพุทธเจ้าอาจารย์ของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือพองศ์พระโพธิสัตว์ที่พระองค์ไปเรียนเนี่ยนะเขาบอกว่าอากินจัญญายจตนานี่แหละคือนิพพานท่านเข้าถึงยอดธรรมของศาสนานี้แล้วคือนิพพานในศาสนานี้แล้วเขาบอกงั้นพระองค์ก็บอกไม่ใช่นี่มันอากินจัญญายจตนาะเจตนากรรมตัวนี้นําเกิดโน่นนะ่ะอายุหกหมื่นกับไม่เอา ก็ไปหาอีกท่านหนึ่งก็ว่าเนี่ยท่านก็ไปเจริญได้เนวสัญญาณาสัญญายาตนะนี่แหละยอดของธรรมมันก็ยอดจริงๆแหละยอดของโลกิยะธรรมก็เลยเรียรวกวภวะธรรมภาวะธรรมเป็นธรรมชั้นยอดของสังขารธรรมในวัตตะนะก็ถือว่าแทบจะยอดแล้วนะในฝ่ายวัตตะเนี่ยเนวสัญญาถือว่าสูงสุดแล้วบอกว่านี่แหละท่านเข้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะบางคนบอกไม่ใช่นี่มันเนวสัญญาณาสัญญายาตนะนำเกิดโน่นอะรูปปภูมิ8ป0 0 0ืสี่บนกับ ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่พระ อ, องค์มาสแสวงหาเพราะพระองค์จึงปฏิเสธว่าจิตพระปุณณะก็เลยปฏิเสธว่าจิตตาวิสุทธิ์ไม่ใช่อนุปาทาปรินิพันธ์เพราะจิตตวิสุทธิก็คืออุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิปทมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุธาฌานอากาสานัญจาตตนาะวิญญาณัญจาตตนะอากินจัญญาตตนะและเนวสัญญาณสัญญาตตนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิพัน์เพราะฉะนั้น ท่านไม่ได้ปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจิตตวิสุท ธ, ธิเขาบอกว่าจิตบริสุทธิ์กับความาจิตบริสุทธิกับจิตที่ไม่ยึดมัน่นนี่เหมือนกันไหมจิตบริสุทธินี่เป็นชื่อของจิตตวิสุท ธ, ธิสมา ธ, ธิทั่วไปแต่จิตที่ไม่ยึดมั่นเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ยึดมั่นในสังขารธรรมว่าเที่ยงเป็นต้นนนะทีนี้อา้าวศีลก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่แสดงว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปัญญา เอ้มื่อ ก, ก็บอกว่าปัญญาก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านประพฤติพรมจันทร์ทิฏฐิวิสุทธิ์ที่คือปัญญาเบื้องต้นใช่ไหมเป็นอนุปาธาปรินิพานศีลก็ไม่ใช่นิพานใช่ไหมจิตก็จิตตวิสุทธิ์ที่ก็ไม่ใช่นิพานถ้า ง, งั้นปัญญาสิเป็นนิพานแต่ว่าทิฏฐิวิสุทธิที่สิเป็นนิพา น, น, น, พานไม่ใช่นะปัญญาที่กำหนดแยกแยะขันอาญตนะธาตุ อินรีเป็นต้นเนี่ยนะจำแนกได้อย่างละเอียดเนี่ยนะโดยที่ไม่สงอ่าเรียกว่าไม่หลงลืมไม่เผลอเรอเลยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเป็นนิพพานบอกไม่ใช่งั้นปัญญาที่ข้ามความสงสัยในขันอายตนะธาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันพร้อมกําหนดแยกแยะปฏิจจสมุปาฏิเป็นต้นใช่ไหมเป็นนิพพานไม่ใช่ปัญญาที่จำแนกแยกแยะอย่างนี้ไม่ใช่นิพพาน ทีจ่จินปัญญาอันนี้เนี่ยแม้แทบจะสงบปณิสนะบางกลุ่มแคบจะเข้าใจว่าเป็นทันิพานด้วยซ้ำนะเป็นมรรคผลด้วยซ้ําไปแต่ผมบอกไม่ใช่ถ้างั้นปัญญาที่ไปแยกแยะว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางเป็นต้นใช่ไหมเป็นอนุปาธาปรินิพันธ์มขามคญ า, าณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะใช่ไหมเป็นอนุปาธาปรินิพัน์บอกไม่ใช่ถ้างั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์หรือเป็นอนุปาธาปรินิพันธ์ ปฏิปทาญาณทัศนวิส enfin ุทธิคืออะไรก็คือพังคยานเป็นต้นเนี่ยนะพังคยานหรือที่เรียกว่าวิปัสนาญาณชั้นส so ูงเนี่ยนะวิปัสนาญาณที่มีกําลังใช่ไหมเป็นอนุปาฏฐาปรินิพานเราบอกไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอริยมรรคคือญาณทัศนวิสุทธิใช่ไหมเป็นอนุปาฏฐานปรินิพานอริยมรรคใช่ไหมเป็นนิพานไม่ใช่เอ้าถ้าอย่างนั้นนิพานมันมันต่างจากศีลต่างจาก ต่างจากศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิกังขาวิตรณะมคาปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิมันต่างจากสิ่งเหล่านี้ไปเลยใช่ไหมไม่ใช่เอมันน่าจะใช่ใช่ไหมมันก็สังคตะกับอสังคตะภาษารีบุตรก็บอกว่าทบทวนกันหน่อยเ อ, เอาม า, มาทวนกันอีกครั้งหนึ่ง ผมถามว่าสีลวิสุทธิใช่ไหมเป็นอนุปาธาปรินิพานท่านก็บอกไม่ใช่จิตตะวิสุทธิใช่ไหมท่านบอกไม่ใช่ทิฏฐิ thereby, วิสุทธิเป็นใช่ไหมเป็นอนุปาธาปรินิพานท่านก็บอกไม่ใช่กังขาวิตรณวิสุทธิใช่ไหมเป็นอนุปาธาปรินิพานท่านก็บอกว่าไม่ใช่มรกคา มขามขะยานทัศนวิสุทธิ์หรือเป็นปรินิพานท่านก็บอกไม่ใช่ปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ์หรือเป็นนิพานท่านก็บอกว่าไม่ใช่ยาณทัศนวิสุทธิ์คืออริยมรรคทั้งหลายใช่ไหมเป็นนิพานท่านก็บอกว่าไม่ใช่ผมก็ถามอีกว่ามันต้องมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ทั้งเจ็ดมันพ้นจากเจอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมเป็นนิพานท่านก็บอกว่าไม่ใช่ ก็คือตอนแรกก็บอกเอาปฏิเสธไม่ใช่ศีลไม่ใช่จิตไม่ใช่นะไม่ใช่ศีลแล้วพิสุจ์ที่จิตตะกลางทิฏฐิเป็นต้นไม่ใช่เจ็ขอ้อเมื่อมันไม่ใช่เจ็ดข้อนิพพานุปาทาปรินิพพานมันต้องอื่นจากสิ่งเหล่านี้สิท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่อีกว่ามันคืออะไรกันเนี่ยนะใช่ไหมชวนให้ท่านหน้าจะงงเหมือนกันนะกาอ่านขั้นแรกเนี่ยใครไม่เคยเรียนธรรมะ ม, มาดีเนี่ยอ่านแล้วงงงงเอ๊มันน่าจะคือมันต้องลองมาตอบยังไงนอกจากการเล่นลิ้นยังไงแต่ดีว่าบัณฑิตเขาคุยกันนะ เมื่อบันทึกเขาคุยกันเนี่ยครับเเขาามีทั้งแก้มีทั้งผูกมีทั้งถามมีทั้งตอบก็มีการรวบรวมสรุปสรุปว่าเออเนี่ยที่ผมถามเป็นอย่างนี้ที่ท่านตอบเป็นนี้ทั้งคําถามทั้งคำตอบสรุปแล้วมาเป็นอย่างนี้สรุปแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมท่านก็บอกว่าไม่ใช่อีกเอเอเมื่อไม่ใช่แล้วทีนี้เขก็ถามเอางี้หงก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงเห็นเนื้อความของถ้อยคําที่ท่านกล่าวนี้อย่างไรเล่าเนี่ยนะเออแล้วตรงลงไอ้จริงๆแล้วมันคืออะไรล่ะ จริงๆแล้วสิ่งที่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการจะบอกสิ่งที่พระปุณณะมันตานีบิลตต้องการจะบอกก็คืออะไรนะที่จริงเขาบอกว่าคำถามคำตอบประเภทนี้อันไหนถามถามยากหรือตอบยากถามก็ยากตอบก็ยากยากทั้งคู่นถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยนะถ้าคนที่คำถามนี้นะถ้าไม่รู้อริยสัจมาเป็นอย่างดีไม่เข้าใจสัจจะเป็นอย่างดีไม่เข้าใจข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีเนี่ยนะ โอ้แค่ฟังก็ยังมึนแล้วนนนะทีนี้พระปุณณมันตานีบุตรก็ตอบตอบให้ภาษาริบุตรฟังว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจับทรงบัญญัติสีนะบัญญัติศีละวิสุทธิว่าเป็นอนุปาธาปรินิพานก็ชื่อว่าพระองค์ทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานคือเป็นขันว่าเป็นอนุปาธาปรินิพานก็เท่ากับบัญญัติสังขารขันสีว่าเป็น นิพพานศีลทั้งหลายสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอชิวะเป็นสังขารขันก็เท่ากับพระุทธเจ้าบัญญัตสังขารสังขารขันว่าเป็นนิพพานมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วล่ะมันจิตาวิสุทธิ์ที่ก็เท่ากับบอกว่าสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็ไม่ใช่นิพพานเพราะเป็นสังขารธรรมนะเป็นสังขารธรรมไม่ใช่ธรรมที่ดับสังขาร ดังนั้นจิต ท, ทิฏฐิวิสุทธิ์ที่ก็เป็นปัญญาปัญญาเป็นสังขารขันกลางขาวิตรณวิสุทธิมาคามาคาญาณทัศ น, นวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศ น, นวิสุทธิสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเมื่อเป็นสังขารธรรมจึงไม่ใช่พระนิพพานนะสังขารธรรมคือวิสุธทธิทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่นิพพานก็เป็นสังขารขันแต่เป็นสังขารขันที่มีอุปการะต่อความพน้นทะุกนะนะ อย่างที่พระ อ, องค์บอกว่าเอกายโนมัคโคเอกายโ น, ยโนมัคโอยังพิคเวเน่เนี่ยนะมัคโศตานังวิสุทธิยาหรือว่าทางนี้คือทางสายเอกเนี่ยนะทางสายเอกคือสติปตัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยนะเป็นโลกิยาหรือโลกุตระที่พระ อ, องค์ตรัสในสติปัฏฐานสูตรบอกเป็นโลกิยาแต่มีอุปการะมากต่อความพ้นทุกข์มันสติปัฏฐานก็คือทิฏฐิวิสุทธิ์ที่กังขาตั้งแต่สิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเนี่ยพวกนี้คือสติปัฏฐานที่เป็นไปเพื่อ ก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ตัวเข้าเองอ่ะไม่พ้นทุกข์แต่เป็นสิ่งที่ช่วยนำให้พ้นทุกข์นะก็เปรียบอะไรพระองค์พูดเหมือนเรือข้ามฟากให้มันเข้าใจดี น, นะเหมือนทุ่นเหมือนแพเพื่อข้ามฟากสติปัฏฐานเป็นเหมือนเรือเหมือนแพมีอุปการะเพื่อการข้ามฝฟากแต่ว่าตัวเรือตัวแพก็เอามาจากฟากนนทนก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนของฟากนนท์ก็ต้องคืนให้ ว่าโน้นไปเนี่ยนะสรุปว่าวิปัสสนาทั้งหลายปัญญาทั้งหลายก็ไม่ใช่นิพพานศีลไม่ใช่นิพพานสมาธิไม่ใช่นิพพานปัญญาก็ไม่ใช่นิพพานถ้าศีลสมาธิปัญญารวมกันทั้งหมดเนี่ยนะสีระวิสุทธิจิตตาวิสุทธิทิฏฐิกังขาวิตรณวิสุทธิถ้าผนึกกําลังสําเร็จเป็นญาณทัศนวิสุทธิเป็นอริยมรรคเนี่ยนะ ยานธาตสนะวิสุทธิ์ที่คืออริยมรรคใช่ไหมชื่อว่านิพานท่านก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าอริยมรรคเป็นนิพานก็เท่ากับแสดงว่า ส, สังคตะเป็นนิพานกล่าวมัคคสัจจะว่าเป็นนิโรสัรจจะซึ่งไม่ใช่แต่ถ้าหากจะพูดว่าอนุปาธาปรินิพานเนี่ยมันอื่นจากศีลวิสุทธิอื่นจากข้อปฏิบัติ7อย่างนี้ปุตุชนก็ชื่อว่าปรินิพานเพราะปุตุชนไม่มี ปุตุชนไม่มีวิสุทธิทั้งเจประการเลยเพราะฉะนั้นปุตุชนนิพพ า, า, านไม่ได้เพราะปุตุชนจะอนุปาริธานิพพานไม่ได้เพราะปุตุชนไม่มีวิสุทธิทั้งเจประการแต่ถ้าบอกว่าเอา้าวิสุทธิเจประการคือนิพพานมันก็เอาสังตะมาบัญญอธิบายเป็นอสังตะ แ, แต่ถ้าเอาบอกว่ า, อานอกจากนี้งั้นปุตุชนทั่วไปก็นิพพานกันหมดแหละว่างั้น ผู้มีอายุผมจะอุปมาให้ท่านฟังบุรุษผู้เป็นวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่ม อ, อยมรู้เนื้อความแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วด้วยอุปมาเอางี้ล้กันผมจะอุปมาให้ฟังกันแล้วกันเนี่ยนะเพราะเรื่องนี้มันรู้ได้ด้วยอุปมาคนพอมีปัญญาฟังอุปมาก็เข้าใจแล้วว่าเออ ม, มันเป็นอย่างไรผู้มีอายุเปรียบเหมือนพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลเรื่องนี้สูตรนี้แสดงที่เมืองสาวัตถีใช่ พระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยกำลังประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีพระองค์มีพระราชการณยยกิจด่วนบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองสาเกตและระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นต้องใช้รถถึงเจ็ดปัตแค่เรว่ารถเจ็ดต่อว่างั้นนั่งรถเจ็ทอดว่างั้นแต่จึงจะถึง ลำดับนั้นพระเจ้าเปเสนที่โกศลเสด็จออกจากกรุงสาวถีทรงรถพระที่นั่งพลัดที่หนึ่งไปถึงประตูราชวังนะออกจากวังนี้ขึ้นรถไปถึงหน้าประตูวังเลยแหละไปถึงรถพระที่นั่งพลัดที่สองก็จากรถพลัดที่หนึ่งขึ้นพลัดที่สองลงจากผลัดที่สองไปขึ้นผลัดที่สมลงจากพลัดที่สไปขึ้นผลัดที่สี่ลงจากพลัดที่สี่ไปขึ้นพลัดที่ห้าลงจากผลัดที่ห้าไปขึ้นพลัดที่ห ลงจากพระที่6ก็ไปขึ้นต่อพระที่เจ็นะเสร็จแล้วก็พระที่7ไปลงที่ประตูเมืองประตูพระราชวังเมืองสาเกตพอดีเมืองสาเกตนี่เป็นเมืองของของใครเมืองธนันชัยเศรษฐีธนัญชัยเศรษฐีพ่อนางวิสาขาเนี่ยเขาาเป็นผู้ดูแลบริหารเมืองนี่นะแต่ก็อยู่ในในในการดูแลของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลแต่เขามีวังประจําอยู่นั่น